วันเวลาลามาเป็นฟีใหม่ได้ใช่กันตามสมุดนี้วันเวลาเรียนฟีไม่ยน็นยันว่าดีชัวอ้ออ่านอกขอมไปของมันเนาะเสียเวลาเกิดวบเกิดบวบเนื้ออื่นให้หนังสือแล้วก็ัเสีหยหอ่านเนฟังงมันบ่แน่ผูใ้ใดตกมังเจ็บบเจ็บปวดบ่เจ็บปวดไสม่เจ็ บ, บ, บครับรเบสียรถเสียเสียจานหรอผู้รับก็เพื่อพ้นจากส่ง ผูให้เขเพื่อปรรบัตรเชื่อปนทุกผู้รับต่อรับปฏิบัติเชื่อทป็นทุ ก, ก, กปหาความยากว่าให้เชื่อบูชายุติปัญหาความากให้เชื่อบูชาธรรมะปฏิบั ต, เเบ ต, ต, ติเชื่อเพ่มบัตรยุติคว่านิพพานนิพพานให้เชือเพิ่มบัตรยุติไม่นานต้องเชื่อเมอตอน นิพพานะันน ร, ยยนนระปิณทะเลอนแว่าเตนัตสองสานิพพานแปลว่าเห็นภัยในวัสงสายเกิดยแก่ภัยกเก็บตายนิพพานยกเกนยกนเออยกอน นหน้าาอากาศผ่ า, ผ า, า, ผ า, าหน้าผ่าบินผ่าไข่พ่ดร่มอะไกเรียกว่าหนูหน้าบวกน้ า, านน ท, ท, ำ, าา ท, ทำดีก็บวกดีอยู่ที่ใจทำบาเขาบวกบา อ, อยู่ที่ใจทาดีก็บวกดีอยู่ที่ใจทชั่วก็บวกชั่วอยู่ที่ไม่ได้ไปบวกกันฟ้าอากาศเลยอรับเสือก็น่า วทำดีเป็นคําสอนของพระพุธทธเจ้าทั้งหลายยกความดีไปบวกดีอยู่ที่ใจเธินใจจะไม่เดือดร้อนถ้าทําชั่วไปบวกชั่วยอยู่ที่ใจแั้วใจเดือด ร, ร้อนรบรมสาระท่านทั้งหลายเป็นผู้มีอิสระทาํทาทําดีเราเป็นผู้มีอิสระจะบอกพวกท่านจะความดีอยู่แล้วก็พวกท่านมีถ้าความดีไม่มีอยู่กับพวกท่านเราก็บอกพวกท่านทําดีไม่ได้รบรมสาระ ความชั่วมีอยู่กับพวกท่านเองเราจึงบอกเว้นชั่วแม้ตัวเราตถาคตก็เหมือนกั น, กนพระบรมสารีราถ้าพระทํามไม่มีอยู่ก่อนเราจะตถาคตก็ไม่สามารถรู้ทาได้ถ้ามีอยู่ก่อนจึงสามารถรู้ทำจึงมาเล่าให้พวกลู ก, ลก ห, ลหลานฟังเหตุนั้นจึงเข้าร้องคำ ทำคำสอนเราแต่ละบทละบาททำคำสอนแต่ละบทละบาทนั่นเองจะเป็นศาสตราแทนเราทั้งหลายเธอทั้งหลายจงปฏิบัติถือคำสอนใดในใจโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคำสอนของพระพุทธศาสนาหมดแล้ว เหมือนเสื้คิปจะมีสี่ระร่างเขาเชื่ไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคํำสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเออบุรุษศาสตร์เที่ยมในทางลึกซึ้งเพื่อให้คำหนึ่งในหลายชน้าพ่อหน้องครองเบืองบางต่างๆ หลโรงสูตรมหาเศรษฐาโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ออะไรโรงสูตรคำสอนว่าพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอี ก, ก็จริงอีกไม่มีกํางวันกลงคืนหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อถ้าไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อหรือเชื่อก็ตามศรัทธาก็ตามไม่ศรัทธาก็ตามจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลงคืนนั่นเลย น้ำไหลลงสู่มหาสมุทรเลก็จริงอยู่ไม่มีประงวันกลาคือเชื้อทิศ ท, ที่ไปในทางทิศเหนือก็จริงอยู่ไม่มีประงวันกลาคือใครจะเห็นหรือไม่เห็นไม่ชราบก็ไม่รู้ได้ก็ไม่สําคัญก็จริงอยู่ความจริงนี่ใครจะให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนนก็ตามมันก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลาคือจริงในทางผิดก็เหมือนกันจริงในทางถูกก็เหมือนกันจริงในทางดีก็เหมือนกันจริงในทางชั่วก็เหมือนกันในผู้บัญญัติดีชั่วถูกก็พระพุทธศาสนาเท่านั้นนอกจากนั้นบัญญัติไม่ค่อยถูกเช่นบัญญัติว่าอาบายมุก จะแก้ทุกได้ไอ้แท้เพิ่มทุกขึ้นใช่ไหมนั่นะมันยัดไม่ถูกนะัสอนโลกพระพุทธศาสนาสอนโลกโลกรวิถีถูกเป็นผู้สอนโลกทุ ก, ท, กทุกสมัยทุกการทุกเวลาพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก็ แล้รอบล่าพอรอบอกรันเลยเพราะถูกพอแล้วไม่ได้คัดแย่งกันจะมาจีร้า น, นล้านพระองค์หรือนานนานล้านล้านปีจึงจะมาก่อตามก็มาซ้อนอันเดียวกันเพราะมันเป็นธรรมพอแล้วทําเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างเนื้อลูกหลานเ อ, อ๋ยคือความละอายตระบาบความกลัวตระบาบเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มียังอายต่อบาบไม่มีความกลัวตระบาบแล้ว กนไม้ก้นหมูก้อักก้พวกจะตั้งไว้เท่าไรมันก็ไม่อยู่เนื้อพระบรมศารจะถ้าล่วงละเมิดไม่ละอายตบบาบแล้วไม่กลัวตบบาปแล้ ว, ม, าาลวมันก็ไม่ไปล่วงละเมิดฉิบหาเ น, นื้อโรครานถ้าล่วงละเมิดฉิบหาโลกทั้งหลายก็อนละหมานเน้อปกครองกันไม่อยู่เนื้อเขาบรมศาราเหมือนเจ็บปูใส่กระด้งเต้นออกไปคนละทางเนื้อ โลกศาสตร์แล้วถ้าชาวโลกมีสิลธรรมบริบูรณ์นับแต่รู้ทียงสามาสวนว่าใบเสียจุดพิษมนุษย์ก็ยกทิ้งสักถ้าชาวโลกไม่ศีลธรรมบริบูรณ์สงครามก็ไม่มีอาทิต น, นาทานก็ไม่มีการฆ่าการเกล่งกันก็ไม่มี การมีสมิทธ์ชาจารก็ไม่มีโรคเอชก็ไม่มีพราะรักษาไฟต้นลมรักษาลมต้นไฟแล้วใช่ไหม น, น, นี่พวกเรามารักษาปลายเฉยดมันแต่ <c oughs> ว่าทางเฉดไม่บรรเท่าทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีโซ่ตุรกนก็ไม่ต้องมี เรือนจำก็ไม่ต้องมีคดีดำคดีแดงในโรงในศาลก็ไม่ต้องมีเวรสนองเวรก็ไม่มีภัยสนองไัยก็ไม่มีนอนก็ไม่สะดุ้งภวะเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้ากฎหมายก็ไม่ต้องตั้งขึ้นมากหลายมาตราเพียงกฎหมายงบประมาณของโลกหรือของประเทศกฎหมายภาษีอากรก็พอแล้ว คนไว้อาญาหรือแพ่หรืออะไร <c oughs> ก็ไม่ต้องตั้งก็ได้สงบดีไม่ได้ตายอยู่ตามถนนคนกลางเว้นไว้แต่ระวังไม่ดีรถเหยียบจะแย่งฆ่ากันให้ตายไปห ม, มเดี๋ยวนี้มันเกินไปเชียรแลว้วลูกหลานเอ๋ยเพราะมันไม่มียาอายต่อว่ามันไม่มีกลัวต่อบาปเสียแลว้วชาวโลกของเรา สงครามก็ไม่มีถ้ามีเสียทน้าบริบูรณหมดชาวโลกการค้าขายพระพุทธศาสนาโบอกค้าขายคือาปหานค้าขายมนุษย์ค้าขายจะเป็นอะไระสัตว์ที่ัวกล้าจเป็นอาหารค้าขายนาค้าขายยาพิษการค้าขาย้าอย่างนี้อย่าพากันไปทาเนื้อชาวโลกเอ๋ยถ้าค้าขายเคประหารเคประหารเหล่านั้นก็เอามาฆ่ากันนะไม่ไม่ใช่ค้าขายกุศลฟุุ่่ค้าขายเวรไภยอย่าไปทำเนื้อพระพุทธศาสนาสอนสอนโลก วิทยาสตรสอนโลกไม่ได้สอนลําเอียงแต่พระพิคุสมณีิเทวคุเทวดาศรัทธาเทวมนุายัางเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลายเต็มภูมิแล้วเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นพรหมสมบัติเป็นนิพพานสมบัติไปในตัวพัฒนามนุษย์สมบัติพัฒนาสวรรค์สมบัติพัฒนาพรหมสมบัติพัฒนานิพพานสมบัติไปในตัวพัฒนาวัตถุนยิยมและอุดมคติไปพร้อมกันเลยเอภัยยมุกทุกประเภท ถ้าล่วงละเมิดมันก็เป็นมนุษย์ทีบัติมันก็เป็นสวรรคบัติมันก็เป็นพรหมทบัติมันก็เป็นนิพพานที่บัติมันก็เป็นพัฒนาไปทางวิบัติด้วยสบายยมุกหมายเพียงแค่ไหนหรือน้าเมาเที่ยวที่กลางคืนเที่ดูกันเนการพนันควบคุช่วยเป็นมิจฉาชางทำงานในทางที่ชอบนักเลงหญิงนักแรงสุรานักแรงเล่นการพนันควบคุมช่วยเป็นมิจฉาชางทำงานในทางที่ชอบ มันก็เป็นอบ า, ายามุข้างนั้นาาามุขะแปลว่าซิ่หายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากเนอะเอาไปล่วงละเมิดเนอะส่วนพระพิสุทธิสมณีนผ่านมาแล้วพระพิสุทธรมเณีนใชไปส่งเริมอบ า, ายามุขเหมือนสู่เขารักษาศีลห้าอยู่บ้านไม่ได้เนอที่ห้ามมาให้พิสุทเป็นการบ้านการเมืองก็ต้องมีขอบเขตถ้าสอนไปในทางดีจะห้ามทำไม ถ้าไปสางช่วจึงห้ามถ้าไปสูไ่ไปสอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนมนุษตรังปุญญาขิดตังโลกัสสตติเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าพระบรมศาราทำสิ่งใดขึ้นไม่มองดูคำสอนพระพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่รอดนะมันก็ไปไม่รอดนะ คำสอนพระพุทธศาสนาะไม่โอนเอียงเข้ากับชั้นวันละเลยไม่โอนเอียงเข้ากับคนทุกคนจนคนโง่คนเขา่าโปร่งไปเลยเหมือนบรรทัดเหมือนดิ่งเหมือนบรรทัดเหมือนเครื่องวัดเครื่องตวงเหมือนกล้องจุลทัรศกล้องสองทางก็คืออะไรก็คือคำสอนพระพุทธศาสานานั่นเองสร้างไว้ จะเรียนมาจากประเทศนอกก็ตามทึ่งสารยุติธํามไม่ได้ทิ้งดิ่งไม่ได้เสาตั้งเสาซะตั้งเสาเนี้ยก็ต้องเอาดิ่งมาก็ไม่เถียงกันถ้าไม่เอาดิ่งมาก็ต้องเถียงกันเดี๋ยวลมทิศตะวันตกตะวันออกใต้เหนือหรือเฉียงตกเฉียงออกเฉียงใต้เฉียงเหนือเถียงกันอยู่นั่นแหนะเอาอาจารย์มาแล้วก็หมดเรื่องกัน ตั้งกฏหมายกฏหมู่กฏพระกฏพวกวกฏมันกันถ้าเอาคําสอนพระพุทธศาสนามาเป็นแม่นมันก็ไม่ผิดเมื่อไม่เอาคําสอนพุทธศาสนามาเป็นแวน่นมันก็เถียงกันอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนใช่ไหมหมู่ลากหมู่มากก็ลากไปหมู่มากถ้ามากทางจีตแล้วก็ลาก ไ, ไปตกเหวหมดใช่ไหมนั่นนั่นนั่แต่คําสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาหมู่มากลากไปหมู่มากเหล่านั้นถ้าไ ม, ม่ามาีศีลไม่ทำท่านไม่ไให้มาออกเสียง แต่ว่ามึงไม่ออกให้กูกูจ้างงคนในโลกเราเชาวโลกเราทำไมทำไม่ไมภาคอีสานของเราจรึงยุ่งเหยิงแห้งแรงมากแม้ตลอดทั้งชาวกรุงเทพด้วยทั้งภาคเหนือด้วยทั้งภาคตะวันออกด้วยส่วนภาคใต้ทำไมจึงท่วมมาก เราก็น่าพิจารณาเหมือนกันแต่ที่วิทยาศาสตร์บอกว่าทำลายทาลายต้นไม้ลำธารหน้าฝ้าฝนไม่ตกตามฤดูกาลแต่พวกภาคใต้เขาก็ทำลายต้นไม้เหมือนกันทำไมจึงน้ำท่วมแท้แต่ก็ถูกอยู่แต่ว่าเป็นปลายเหตุ ต้นเหตุของลูกปู่ยังมีอีกจะถูกหรือไม่ถูกก็ขอให้มีอิสระพิจารณาไม่ยึดมั่นในความเห็นของตนแต่คนเดียวลูกปูพิจารณาตามบ้าบ้าบบว่าฆ่ามารดาฆ่าบิดาจน เ, าาเราเราเมาขอเงินบิดามารดาไม่ได้ก็ข่าแล้วก็ ร้องระบมดมข่มขืนเขาแล้วก็าฆ่าอีกอันนี้บาปหนักยิ่งกว่าสุนัขสุนัขมันมข่มขืนกันแล้วมันก็ปล่อยไปใช่ไหมมีแต่ตัวผู้กัดกันบ้างแล้วก็แตกกันไปเลยใช่ไหมตัวเมียมันไม่ฆ่าใช่ไหมกูทำเมย์ทุนทํากับมึงแล้วกูอิ่มแล้วกูจะฆ่ามึงมันไม่ว่าใช่ไหม อันนี้มันยิ่งกว่าจัดสิ่งนี้ก็ไม่เป็นหน้าที่เทวดาจะนิยมใช่ไหมข้าพิดามดาด้วยใช่ไหมทางปักไดทช่นี่เขาโรงเรียนด้วยใช่ไหมค่าพระที่ไหว้พระอยู่ด้วยใช่ไหมแต่พ้นของกรรมของพวกเราที่ทําไม่ดีนั่นเองคำว่ า, าพวกเร า, มา ห, หมายมดทั้งประเทศไม่ได้หมายคนใดคนหนึ่ง พวกเราไม่ช่วยกันทำดีมันก็ไม่เป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติของเราต้องหันหน้าเข้าหากันมันจึงจะถูกเทเวราไม่นิยมเสียแล้วถ้าหาว่าประเทศชาวพุทธเราอัตคตัดถึงขนาดนี้แล้วประเทศอื่นจะเป็นอย่างไรล่ะมันก็ไม่มีที่เทียบอีกเหมือนกันแย่งกันอยู่สู้กันจินมากกว่า น, นี้ใช่ไหมประเทศชาวพุทธของเราขนาดนี้แล้ว อันนี้หน้าที่ของเราควรคิดตาคนก็ต่างแก้ตัวใครไม่ดีตอนไหนก็แก้ตอนนั้นพระไม่ดีตอนไหนก็แก้ตอนนั้นโยไม่ดีตอนไหนก็แก้ตอนนั้นเจ้านายไม่ดีตอนไหนก็ต้องแก้ตอนนั้นประชาชนไม่ดีตอนไหนก็ต้องแก้ตอนนั้นหันหน้าเข้าสู่มันจริงจัดดีใช่ไหมจะพักเข้าไปบอกเลขบอกผาบอกบัดบอกเบอร์ไม่น้ำซ้ำขายพระเล็กพระน้อยแล้วยจริงจริงถูกไหย เจ้านายบกพร่พองที่ไหนก็ทําให้มันเต็มซะพระบกพร่พองเล่นบกพร่พองที่ไหนก็ทําให้มันเต็มประชายคนบกพร่พองที่ไหนก็ทําให้มันมันเต็มซะมันก็มาเรื่องกันที่แต่ก็ก็ชี้หน้ากันมึงอย่างนั่นกูอย่างนี้มันก็ยุ่งเหยิงกันอยู่นี่เราไมแล้วยถูกไหมนี <c oughs> ่พูดให้สมานกัน <c oughs> พวกเราทุกวันเนี่ยประชาชนที่ประเงินใช่ไหม ใครมีเงินมากก็ไปทางนั่นใช่ไหมคนดีไม่ได้ทํางานเลยใช่ไหมคนมีเงินมากทํางานคนมีเงินมากเหมาเอาหมดแล้วเนี่ยถูกไหมมึงไม่มีเงินมึงจะพูดแอปแบปถูกสะเทียงไหนก็ตามปูไม่เอาให้มึงใช่ไหมนั่นโลกชาวโลกมาเมื่อไม่รอดตำแหน่งของกิเลสมันก็ไปไม่รอดชาวโลกของเราทําไมจึงอาบน้ำก็เพราะร่างายมันรกปก ทำไมยังปฏิบัติถินกรรเพราะจิตใจมันรกระปกใช่ไหมพระก็เหมือนกันโยมก็เหมือนกันใช่ไหมเพรขาข้าก็เหมือนกันเจ้านายก็เหมือนกันต่างคนก็ต่างใครไม่สมฐานะของตนพระไม่สมฐานะของตนตอนไหนก็ให้ทําดีขึ้นเนร์ก็เหมือนกันฆรวาสก็เหมือนกันมันก็ไปได้เท่านั้นถ้ากูขี้มึงขี้กูอยู่อย่างนี้แล้วก็เถียงกันเล่นเฉยๆไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมถูกไหม ที่นี่มันไม่น่ามันไม่น่เทว บ, บุตรเทวดาสฎรเสริญใช่ไหมฆ <c oughs> ่าพระเสียด้วยพระกำลังไหวพระอยู่ก็พากันไปฆ่ากับพวกเรานี่นหะใครฆ่าเขาเป็นพวกเรานี่แหละฆ่าชาวพูดของเรานี มัก็มุดนทางเนี่ยเผาโรงเรียนอีกเสียด้วยคุณหนูเขาขบวนมาเผาโรงเรียนข้าทําไมข้าไม่ได้ทําผิดอะไรเด็กเขาบ่นเขาเมือนกันเวรกรรมอ น, นั้นห ล, ลอ่อสรงถนองพวกเราอยู่นะข้าพ่อข้าแม่อีกเสียด้วยอในทางภาพเราเนี่ยมันจึงแรงสินี่ด้านใดนก็น้ำท่วม ราคาจัดน้ำจะท่วมโทสะจัดไฟจะไหมโมหาจัดลมจะพัดตายนีเดี๋ยวนี่มันครบหมดเลยโลก น, นี้ประเทศอินเดียก็แผ่นดินถล่มใช่ไหม <c oughs> นั่นันะชาวโลกทุกวันนี้ยุ่งเหยิงเต็มที่แต่เราไม่ดีตอนไหนเราก็จะแก้เราตอนนั้นแต่ ดานเลกด้านผาด้านบัตรด้านเบอร์ด้านแผ่ด้านขอเราไม่แก้เพราะเราปฏิบัติมาดีแล้วถูกแล้วแผ่แผ่ขอขอเรื่อยๆไรๆไม่มีในเราต้มต้มตุนตุนไม่มีในเราจัดการจัดงานในวัดเพื่อขออะไรได้ไม่มีในเราเราไม่ได้แก้เราจะแก้สิ่งที่สูงไปกว่านั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้แก้เสียแล้วข้อราดบางหลวงเราก็ไม่ได้แก้เพราะเราไม่มี ขายผ้าเล็บผน้อยเราก็ไม่ได้ขายจัดการจัดงานเพื่อหาตังเราก็ไม่ได้ทำพิมพ์หนังสือมาก็แจกฟรีไม่ได้ตีราคาไวเรียมเท่านั้นเท่านี้เราก็ไม่ได้แก้อันนี้มีอะไรเราก็สร้างขึ้นไม่มีอะไ ร, รก็ไม่ไปไม่ขอนี่เราก็ไม่ได้แก้เราจะแก้แต่สิ่งที่สูงกว่ากว่านี้ถ้ายังมีเจณ์ตนนัวไหนเราคุณ จึงจะแก้ตอนนั้นต่างคนก็ต่างติตนเองเข้าสู่หากันชาวโลกจึงจะถูกถ้าคนนั่นผิดคนนี้ถูกเราไม่แน่นะเท่ากันอ่างนี้ใครก็ไม่อยากเป็นคนผิดเมื่อทำผิดมาแล้วทิ้งให้การตูมตามตูมตามตูมตามใช่ไหม เมื่อมันถูกมากก็แยกกันเอาทีนี้ี่ตอนนี้ถู ก, ถกแยกกันเอาตอนนี้พีก่ก็ทิ้งให้กันตูมตามตูมตามตูมตามใส่ไหมไอท้ทีแทบมันก็ปลาตัวเดียวหรือขนมก้อนเดียวเอาน้ำมันต่างๆมาทอดใส่มันก็แก้ยากแค่ไหมนี <laughs> ม่สำคัญว่าพระพุทธเจ้า ส, สอนให้เราละชั่วทำดี จงสามัคคีกันในทางและจั่วทำดีเถอดสามัคคีกันไปทางดีก็ดีสามัคคีกันไปทางชั่วก็ไปตกเหวตายหมดตะวันร้องประสาสียสามัคคีอ่านว่าสามัคคีสามัคคีเป็นประโยชน์เกี่ยมูวเพื่อนก็จริงแต่สามัคคีไปทางดีถ้าสามัคคีไปทางชั่วดูหรูมันก็พากันไปตกเหวหมดใช่ไหมนั่นสามัคคีกันไปเรียกเลียกผาดูห ร, รูอืม สามากีไปเที่ยวบาแเที่ยวเบอร์ดูดูโลกเอจเขาเทะวีขึ้นใช่ไหมนั่นหลวงปูป่ัญญัตว่าโรงอบเป็นโรงบ้าถูกไหมถ้าหลวงปู่ยังยินดีอยู่หลวงปูป่กับป้าเหมือนกันหลวงปู่ไม่ยินดี พระกพพับพระผีบ้าพระเจ้าบอกเรียกบอกผาเหรอทำท่าทำทางเป็นผู้ประเสริฐเลืดลำ้ำฝันอย่างนั้นคุณโยมฝันังานนี้คุณโยมอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกมั้งพระพรเล่นเล่ห์เล่นผามันชู้เขารักษาชิ้นท่าอยู่บ้านไม่ได้เนอะลวงโลกโยมที่เล่นเล่ห์เียนผา มันก็พิว่าทำลายทรัพย์ของตนไม่พัฒนาพัฒนาทางชีพหมายไม่ใช่พัฒนาทางเจริญ อ, อบาัยะามุกชุก ค, คุมในโลกลัมนุษย์าโลกเกอขุยจอดทาคำสอนของพระบรมศ า, าสนามีค่าลำ้ำนอและชนเหยียบย่ำเป็นเลขเป็นถาพระพิคุสัมเน็นนัต น, นาเป็นหัวหน้าเขาอีก เฉกเลยเราผิดเราก็ยอมให้เฉกเดแล้วนี้ถ้าเราไม่ผิดเรามายอมตัวไห้เราไม่ผิดถ้าเราผิดตัวนี้นเราก็ยอมให้เฉกลอกไปแล้วว่าอย่างนั้นหรือดานิกาล่วไปแล้วว่าอย่างนั้นเนา สิ่งไหนที่พุทธศาสนาไม่สอนไม่มีเนอลูกหลานเอ๋ยสอนอย่าหมดแน่ออนตัวนาบุญเออะอัศว้รใจเสียอฮ้ยรถไฟเสียเดี๋ยวตอนเย็นก็มีวิญาณวิจกรมาเก็บลูกปูไม่ได้เก็บเงินส่วนตัวลูกปูเก็บเงินส่วนรวมทำเพื่อประโยชน์ เกียรนลูกผูไม่มีเงินส่วนตัวอบาทเนอะลูกหลานลกผู้มันได้เก็บตัวลูกนา่เก็บตัลูกผู้ม่มีเงินส่วนตัวเนอะลูกผู้มัได้เก็บส่นวนตัวะะ เ, กเก็บ ว, วเป็นสาธารณนลูกหลานสาธารณนานี่ค่าไฟบ้างค่าน้ำบ้าค่าคนงานบ้างเดือนหนึง่งใส่เงินหลายลกผู้ลกู้มเก็บส่วนตัวลกผู้มัได้บวชมาหาเงินส่วนตัวด้วยบวชมาเสือคนทุก ทีนี้มาท่านหายลงปูองนมานั่นแหละเสียศาสตร์ถ<อ>ูกจับหัว <c oughs> จับหัวให้ยลงถึงใจให้ใจถึงว่าพุทธธ ร, รรมพระสงค์จับหัวลงทั้งใจใจถึงว่าพุทธธรรมประสงค์พุทโธธรมโมทังโขถ้าใจถึงพระพุทธธรรมประสงค์แล้วไม่รดน้ำก็ได้ไม่ผูกแขนก็ได้ไม่จับหัวก็ได้ก็คือจับหัวใจตนเองให้ถึงว่าพุทธธรรมประสงค์ที่รดน้ำก็คือรดหยิบรดใจให้ถึงว่าพุทธธรรมประสงค์ ลดจิตลดใจให้ละความชั่วมาพุทธความดีนั่นเองจับหัวให้ละความชั่วระพุทความดีนั่นเองนี่จับหัวก็คือจับหัวใจให้ลความชั่วมาพุทความดีนะถ้าทำประสงค์นั่นเองเอาไปเลยย่ำเสียความดีมันปิอหลวงปู่แล้วหลวงปู่ว่าไม่จิดเจตนาเพ่งโทษลูกหลานไม่จะแค่เมตตาให้ไม่ความสุขความเจริญ คือว่าอยู่ดีไม่ง่ายไงงปู ม, มาเสรมบาลนี่ลุงปูการใช้ ง, งานคือว่าลุงปูบวชมากเพื่อผลทุกข์ด้วยบพราะมันบวชมากเพื่อถิหลอกกินวัจใจชีบวชมาเพื่อผ ล, นะอลอกกทุกผนท่กผ ล, ผ ล, ผ ล, ผ ล, ผลกับเป็นเรื่องหนึ่งอันนแต่เกรติน่าเป็นครับวบวชบวชเพื่อผนทุกนะว่าซาตงสารปัญหาโหลาย บวชเพื่อเดื่องีปัญหาลอยปัญหาเจ้าของเป็นยังยงบวชเพื่อผนทุกข์พอเห็นไพ่นาวัตรสงสารเห็นไผ่นาวัตรสงศารบวชเพื่อคนทุกอันซ่องพคนามห า, าบ้านเาไม่ได้แล้วก็ซ่องม่อยู่ทุกการด้วยมขึ้นอยู่กับผูู้แล้วไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้วไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พราะลูกหลาน ทุกท่านหน้าทศทางไตโลกาของพ่อสมัยพระพุทธเจ้าลูกหลานของพระสมัยพระพุทธเจ้าพระสัมภารยสงฆ์จงผสบแต่ความสุดความเจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบทุกท่านหน้าทศทางไตโรกาอยู่ทุกเมื่อเืิเอาไปูเป็นหาตาเมตัวไหนตอนนี้โลขอาใจดีภาี่ว่าใจดีนะครับสูงเลือดไมครับ เมื่อแต่เขาตตนเกือบไปโรงพยาบาล่ะทางเราก็เลยเขียน เ, เวนุกตัวนั้นมาไอ้เนีั น, นให้มันมันให้เร า, เ, าเวนุกมาแค่นี้อายุสิบาปีัะไรอย่างที่ถูกแล้วก็ไปไปดักเบ็ดไปไปดักเบ็ ด, ดป่าป่าอะไรมากินมากินร้ายตัว ได้ไหลายตัวปลาไหลแต่เราได้ขั้งเดียวหลายหลายขั้นธรมารมดาปลาไหลกินเบ็ดกินลงท้องเนับกินลงท้องได้เวรตอวนี่ไม่เวรแรงจะถึงตลงท้องพ อ, อมาถึงสอง0ันห้าร้อยสามสิบโรคทุนดีเป็นนิ่ว ก็า้อเอยปยกตาพอไปโรงพยาบาลเขาก็ยัดสายยาเขานี่เาตัวดูลงมาถึงไอเดียวปลาอะไรกินเนี่ยขาอยู่ชั่วโมงหนึ่งเขาจะออกออกกืตายนี่มันไปออกจอห้อ เขาสายอยู่นี่มันของจอมีห้าเมตรเขาเป็นเวนเวนตาไลท์วาลัวเว้นตาไล้์นี่วางไฟก็เท้าขวาอ่าลูกชุดสามชุดสี่ชุปีเอาโรงเรียนออาไฟเท้าขวาดับลูกสม่ได้จะตาองที่ย ทุกวันนี้เผาไม่ได้ต้อติดุกทุกวันนี้เพราะนน แ, ตแต่ก่อนมันบ้านหา่างโคกที่ไหนไม่มีแต่หนํามมีเสียงนาเสียงอะไรอยแต่เดี๋ยวนี้มันมีอยู่แล้วเาไม่ได้้ น, นกนกตัวแดงมาแดงตัวเล็มเเกมันก็ทํากับเผารล่อยปล่อยดักนกพอเผาเผาแล้วก็นกมันเข้ามาตับานถคาเรียวตกลงงยางนี่ไม่เหยือ่อล่อมัน ได้วันละตัวบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้เป็นเด็กมันเริ่มงเรียนวันปิดโรงเรียนก็ปิดในสมัยนัปิดในวันพระเช้าแต่เที่ก็เข้าโรงเรียนตามตามวัดตามโรงฐันต้องาไม่พอมัยนั้นเหมือนทุกวันเนี่ยตันี่ ตามมาถึงหมดไฟไหม้พุทธิเจ๊รมีนีจะผ้าครับคาตัวมีจะพ้าห า, จ า, าเจกโนีทับไหบว้เจหมดเราก็จะขียนเออ่เออผู้อาภัไฟไปแถป่ า, าในชาแนเปลี่นตามมาถึงแล้าครับเออลวงหาเป็นอาหารเนี่ยก็ยังไม่พ้นเลอีก่ละครไม่ไม่ห ตา ม, มาถึงมันจะครับถ้าอย่างนั้นพวกที่เป็นชาประโมงไม่แย่เลยนะครับเพา <อ S 1> ไม่ต้อง<า> <laughs> พูดเลยไม่ต้องพูดพูดเพียงเราเนี่พอแล้วดังนั้นไม่ต้องพูดหรอกรพูดเราเป็นตัวอย่างก็เดียครับไม่ต้องพูดไปยนะัเขาโกรธพูดให้เราสักับผมเคยมีที่เยอะครับเคยไปอยู่ที่ไหนก็ซื้อที่นะครับ แล้วก็ทําเป็นอ่างเก็บน้อกะว่าถ้าเผื่อทันตีไม่ได้ก็จะเลี้ยงปลาแต่ก็ไมได้เลี้ยงสักทีนะครับจะเลี้ยงปล า, าไว้ขายตั้งใจว่าอย่างนั้นเลยรหรือเลี้ยงัวเอาไว้ขายแต่ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าก็ไม่ม่ยากจนไม่อยากจนกจนถึงก็ต้องไปทำอย่างนั้นอายุยี่สิบปีประจําโคตอนขึ้นเขา ร่มลงแ้า <sketches> มัน <bod> ร <harmonic gouvernement> oh. ่มลงปลูกได้ป no ลูกกันนะเพรามาขวดหมูขวดหมูลูกอันเข้ามาก็ออกมาอย่างนี้เขามานีบนี่ยข่มหัวมันไว้อะไรไว้หมูปิ้ต้นเขาเข่าแทรกไปต้นเขาอย่ให้มันดิ่งอยให้มันดีมันก็ร้องโอ๊ะโอ๊ะแล้วก็พูดรองอะรนี่อาอ้ขี้โลไอ้ยุข้โรบ เขาจะแปลงรูกแปลงโฉมให้มองใหเมึงขายราคาสูงให้อย่างนั้นมองขายไม่ออกมึงไปเท่ยวเล่นสาวเลยมึงขอมอไงมไปเ่ยวเล่นสาวืเจ็บมันไปเจบทิเจ็บคนเราไปหมดพูดล่มันเล่นมันอรงอกอกอมันปวดัเขาจะแปลงรูปแปลงโมให้มึงให้มึงขายออกตัวเดียวท่านนายกีเลยแต่พอมาถึงสองป ้อนยี่สิบสองมันก็มาแปลงรูปแปลงโฉมให่เรานี่ใส่เก็บปากมวยนี่สามตลาดตะวันสาไม่พอไม่พอไม่เปนอะไรไปวาด้วยสามสามไอไม่อนี่ใส่เก็บปากมวนอนก็เตัวนอ็ใส่ึ้นเนอะโอเคโอ้เราแา่ไม่ไม่สามไม่ สิ่งที่ดีทาไว้กับชาติขอเห็น์กับชาตสิ่งที่ตัวทำไว้กับชาตขอศิลป์กับชาตสิ่งที่ดีเคยกรอบอุทยาลุงนะครับหลวงปูงป่ ม, มหาบอกพระยาะหลวงปกระซิครูบาอาจารย์ฉั น, นไม่กลัวเอาจอบเอาเสียงแไม่กลัวเอาเครื่องอืมนต้องเอานขอบอน ะ, ะาบอาจารย์จะทำดีกระซิบแล้วก็ทำใจน่ารับอยู่ าีเข้าไปทีแรีอยู่ก็ท่านท่านยังไม่ปวดปีที่สองที่สาที่สี่ท่านปวแล้วเขาชรยกน9้าอยู่แล้งท่านเก้าสิบท่านก็ปวดเก้าสิบเอ็ดเกาสิบสองท่ก็ติลมปาก้สองเก้าิมก็สบนยอม่อยู่ในชีรีแล้วก็กว่ากอนใช้ปุที่กอใช้ปุ่มี่เมื่อท่านขายชีพปกติ หายพียบลยลทีนี้เห็นอันนี้สมกับชาติเนี่แม่เราป่วยมากเข้อายไม่ออกหายไม่ออกข้ อ, อกกันยาและสวนสวนก็ไม่ออกฉันยาก็ไม่ออกข้าก็าแย่ครับแล้วเรื่องที่เราตองยื่นมือแับครับ แฝงทอดแฝงตะวันลอกออกมาปอกออกมาอออกมาอออกมาส่วนที anyway, people are, people are ่มันแข็งออกมาส่วนที่มันเลี้ยวๆก็อกออกมาอีกที่เป็นยามารูดออกมาเราก็องน้เขียนอันเอามือนอกจระเข้ลังเขีนกับข้าวนี่น้ำซ้ำเราคนเดียวมีห้องถ่ายหนึ่งอสาม ส่นี่เขาทาให้เขาปลูกูแต่ว่าเขาปูกที่ทางอย่างอยู่แล้วนี่ถ้าเขาจะทบทวนดูข้าล่างที่ประชอาหารก็อันนี้สองอันนี้นะนี่เป็นฮัสต์ธรมาว่าอันนี้สองโคบาอาจารย์หรืเพื่อนหรือญาติโยมมีดอกหรือมีแต่อายุสองห้ตัวนั้นหรือตอบว่ามีอยู่อันนั้นอันนี้สองของ บุ ญ, ญัดชนะของผมเรารสชื่อเราูบาอาจารย์เนี่ยผมากจบนี่อยู่แต่เรามีสีชื่อหวพออย่นั้นรเข้าใจนะีนเรามีสีชื่อบวกไม่ใช่ว่าได้อะไรมาเขาเป็นบุญวัชนะของตนหมดอย่างนั้นไม่ถูกแต่ว่าเรามีสีชื่อบวใเจนะจีนเราเชื่อคำและผลของคำว่าควเชื ทำกรรมนี่แล้วทำดีมันจะลบล้างกันได้นะครับไม่กรรมกส่นกรรดีก็ส่นดีมุนก็ส่วนทั่วทั้งหมทั่วทั้งวนทั่วเช่นพระบรมสาราไปันงูว่งของมายุนทรกรรมมันก็เจพาเรเจ้าปจาหรือเ้ามาโอนข้ามกอนเส่นลบความซักก็เหตุะไรกเหตุแต่ข้าอที่สร้างวันนี้ ถ้านไปวางยาคนไข้ผิดเพื่อไม่ให้เกิดเจลาคนไข้ตายาตเว้นแจะก็ตามฉลองให้ท่านมานานเลฉันรู้ว่าเขาอไรคุณตามมากกั้<ด>ตงกรรมมันอยู่ท่รครับแล้วคนต้องกรรมอะไรพวกเราไมเชื่อว่ามุสยสามล้างวันถ่านกรรมคนละคนต้องกํามนีตามฉลองอยู่ขันดีดำขัดีแดงในโรงเรียนสามตัดสินถูกแล้อไม่ถูกมาเป็นศาสนา หลพอกรลังตามอยู่ของพระโมกคะาขึ้นไปบนเขาเิชรปูดแ้นเศษหลายตัวแลก็เยี่ยมพระพุทธสูงที่มีตาทิพย์เหมืนท่นก็สามองค์ท่านยี่ยมอะไรหนอก็เรอไม่รู้ที่หนไนี่อะไรลงไปหาเพราะเาตักเวลาแล้วเราจะเล่าถวายองค์ท่านท่านองค์ท่านจะเป็นพระยาเรา เดี๋ยวนี้ผมพูดคนเดียวพราคือไม่ต้องจับก่อนพอลงมาจากภูเขาปิจักกุเรามว่าสามคูนพรลงมาสาาไปที่เป็นมากของป่ากันมีไหมเราลงมาสามก็เธอลงมาเดี๋ยวนี้เธอถึงใช่ไหมเธอจะเอาให้พระผู้จุดจำพวกนี้ฟังถ้ารูสุจัาพวกนี้เขาจะไม่เชื่อเธอเธอคอยเอาเราเป็นพยานใช่ไหมครับ ครับครับถูกแล้วครับดีใจเลยมีมันก็มีสิมันทะไมมันเจอเพราะมันเธอที่ไปเห็นนั่นเองกับหมูเธอหมูเพื่อนของเธอไม่เห็นเพราะไม่มีตาที่เธอเป็นคนมีตาที่เจอและเธอมีที่มีเด็กด้วยเขาทากรรมอะไรไว้เพื่อข้าเขาทำอกุษณกรรมไว้เช่นชาติก่อน เพราะแต่ข้าก่อนเขาเป็นทนายความเขากิน ท, ทั้งโจด ท, ทั้งจําเลยเน็ตหนั้นจึงมาเกิดเป็นเปรตมาสองปากนี่อายุยืนขนาดไหนเขาจึงจะสิ้นไปหลายแสนปีแต่ผมนันรกรบเขาขหลายแสนปีอยู่แล้วออกจากนักรกมาเข้ามาเป็นเปรตออกจากเปรตไปอีกข้อยังจะมีกับ ป, ปู้โาโผ ไปย์จำพวกที่มีมือยาวเหมือนใบตาลมือรากดินอยู่ไปไปไปมารอโอยอยูุ่ฒิกรรมเขาจะทำอะไรมันจะผ่าเขาจะเขาจะบดเราไปเห็นในหน้าสังเวีนก็เกินแต่ว่าตุ๊กตุ๊กจำพวกนี่มาเห็น ตั้งแต่ข้าพระองค์เยี่ยมแล้วเขากรถามถามข้าพระองค์เขาไม่ตอบเพราะไม่มีพยาก็มีสิเปรตมือเห ม, มือนมืใบตานไถ่ตัวท่าใบตานเขาใจชาติก่อนมันเข้าไปในวัดมันไปจับนมเขา <c oughs> นกเขาในวัดตายไปก็ไปต้องล็อออกจากนั้นล็อกมากองกางเป็นเปรตอย่างนี้เท่ ไปจำพวกที่มีหลักฝังอยู่ที่หัวไปไปไปมาตรงเตียงตรงเตียงรอบการอยู่ก็จะ่านี่มุปกรรมเขาเป็นอะไรก็จะพ่าเออจ็จชาติก่อนรักเศษรักแดนของดินพอกชาวสวนชาวนามวนไปเลยักับรักเศษรักแดนขิ้งแมวมันก็ ไปจริงนก้อนของเขาชิงนก้อนที่ดินเขาตายไปก็ปร ะ, ะจุโลกออกจากโลกมาเข้ามาเป็นเศษอย่างนี้นทีนี้อะยทางดีทีริงพระบกกราท่านเพิ่งลวรรค์ไปเห็นมีมาแล้นหนึ่งไม่มีคนอยู่แล้วก็ถางพกเทวานุานั้นว่า ไม่วานี่เป็นของกายคองนเขทามานุปนั้นทามารุาาเขาอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่ในมนุษย์โลกเขาทาอะไรอยู่เขาสร้างกุฏิวิหารตามสติกาลังของเขาเสนาสนะให้ป้าอยู่ตามสติกำลังของเขาแต่มันมาเกิดเป็นฟอกที่บวชไว้เนี่ยจะไม่มีเจ้ของที่ปลลมาว่าจาตัเขาปลดาสง คนยังไม่ตายอยู่ในเมืองรรุธทําดีที่ไหนมันเกิดเป็นของทิพออย์ลอยมันมีไหมเขาจะฟังมันก็มีสิเธอไปถามเข้ามาแล้วใช่ไหมเธอไปถามเข้ามาแล้วเรืงวิมานนันทมารดเขาก็ตอบให้เธอฟังแลเคยยังมาถามเราอีกเราก็ตอบให้ฟังให้ตรงมาตรงที่เขาถามมนเองเขาที่เขาตอบมาเองสร้างก็มีใครสร้างไว้พระพุทธเจ้าสร้างไว้ น, นกรกเป็นอะรใครรู้สร้างไพถ้าผู้าเป็นเจ้าจิตถ้าผู้เป็นเจ้าใจของใครของมานสร้างไมันบันดาลเกิดให้เป็นของทิพขึ้นของทิพมันมีสอง ท, ทางทิศทางตัวความี้ิพทางดีก็มีทิพ์ทางตัวก็คือนรอกคนเกิดขึ้นทิพทางนีก็คือสมัญมันเกิดขึ้นรกทิปใจทิพทางทิพยํคำนี้ก็ไม่บก ว, วกกินอยู่ที่ใจคาชั่วก็เป็ใจ ไม่เรบบืบวสือทำดีก็จะร้องดีอยู่ที่ใจทเชื่อก็จะร้องชั่วยอยู่ที่ใจไม่ปาปนกันเลยน้าเขาหน้ามันไม่ปนกําบุคลาภิเษกผู้เชื่อคำและคนของคาเชื่อทาดีได้ดีทำชัว่วและช่วเป็นคู่ที่สร้างบุญมีเกียรข้ามมาแล้วเําย่างนั่นก็ยังไม่แก้อาผู้ที่สนเข็มแน่ก็คือคนตาดีใช่ไหย ผู้ตาบอดด้ตาฟางกนเขไม่ได้ใช่ไหมเหตุก็นลมาอยู่อาการพอเก้าเหตุพืชกรรมผลของเหตุผลของพืชผนของกรรมเขาว่าเหตุก็เป็นควาการเขาว่าพืชก็เป็นควาการ ทำว่าทำก็เป็นสังการทแปลว่ากิริยาที่ทเหตุแปลว่ากิริยาที่ทำเพื่อกิริยาที่ปลกเพื่อผต้องเหตุผลต้องเพื่ผล้กรรมก็มีความะอย่างเดียครับถ้าเหตุพืชทํรลงแล้วผลไม่ต้องขอสมฆ์เพราะแล้วตามสวนคั่าของเหตุพืชอกาที่สร้างขึ้นไม่ว่าไปทางดีหรทางตัวเพืชอไปทางดีก็ดีเพื่อไปทางตัวก็ตัวเหตุรปทางดีก็ดีได้รับผลตามสวนัวฆ่าของเหตุที่สรูาง้นตามสัวนควฆ่าของเหตุ เืชร้าตส่วนพ้นธาองเหตที่ครรฟ้างเตุกรพืชเขาครอบครองขาได้เตุเงเหตุเขาเขากรพืชเขครอบครอเาได้เหตนั่งฝนก็นั่งเหพูดกพูดเตเข้าใจฝนก็เข้าใจเหไม่เข้าใจฝนทำไมเขาใเหตต้องไส่นก้องไสเหตุกนอยู่ทางกาพวกรรมรพืชกเอนกันกไม่ไม่มีที่แดงแล้วเหตุเหตา ผลของความเมตตาประมาณาทตหน mesma, ึ่งนกเือผลของความเดอเดือนมาหาใจนั้นเหตุโกรธซึ่งผลของความโกรธก็มาล้ามใาทยนั้นใช่ไหมมันอมาทางเเหตุับไปผลของความร้อนก็มาาทยนั้นจะร้ก็ร้น้อยล้วจะมากก็มาเหตว้ผลก็ไม่เดือร้อนใช่ไหเรับตาผลก็ือยใช่ไหมเหตุตืนตาผลมื เพราะแม่ไม่เ่เมื่อหรือตาฟางหรือตาบา อ, อดเหตุที่ปลูกข้าวเช้าผลก็เป็นข้าวเช้าเหตุที่ปลูกวรเพชรผลก็เป็นวรารเพชรใช่ไหมในต้นผลไม่ไม่อยู่ห่างกันเพราะก้าวทำเหตุอันไหนลงก็ได้รับผลตามส่วนของข้าวของเหตเหตุดํดดำนาผลก็ดํำนาเหตุรักษาผลก็รักษา เหตุได้ผลตามผลวางข่าของเหตุท okay> ี่มาแรกก็เรียนตามผลความฆ่าของเหตุเหตุก็ผลประหารอยู่ามการฆ้าเหตนึกผลก็นึกเขตุค sì ิดผลก็นึเหตนกทางดีผนกอนึกไปทางีเหตุนึกไปทางตัวผนก็นึกไปทางตัวตามมันไม่ตกมีอะไรผู้ใดผลของตามไม่ตกประมาณหนึงบาพยาบาทไม่ตกมีอะไรผู้ใดผลของพยาบาทก็มาหาใจ เหตุทีเหนสารวิทธิผลของความมีหสารวิสุทธิ์ก็มาหาใจถ้าไหนลงมือทาก็ยิ่งไปใหญ่ใช่ไหมเนี่ยเพีนเพียงนึกคิดเฉยก็ยังเป็นบกรรมาท่านกวว่าภาวนาเนี่ยนั่งคัดสมาธิท่าเดียวถ้านั่ัดสมาธิท่าเดียวมันก็ไม่ทันทำเวลาใช่แล้วนึกจะเวียนท่านผื่นไม่ได้นั่งสมาธินึกจดเวียนเอคุณ้องควาในเรืองตมาหายเราไม่เป็นที่สบาย ถ้าเราจะไปเอาแต่นั่งสมาธิมันไม่ถูกยืนแต่นั่งนอนได้ทั้งนั่งนอนไมยพอนอนได้หรยืนเลยนั่งนอนเราก็นึกเปลี่ยนเขาได้เหมือนกันใช่ไหมแต่เรายังไม่ทาไปบอกไหมพอจะฉะ้วรต้องภาวนาได้เหมือนกันได้มันถ้าอยากทำใทันก็ไม่ากถ้าจะไม่ใจนั่งสมาธิันไม่ทำนม่ยากนไปรอดไปเรียนภาวนาทั้งนั้นนะไปรอดไปเรียนภาวนาพุทโธไม่พ้นเดือนนั้นก็รอดรอดไม่พ้นตอนนั้น บรนดาไม่เป็นทางการครับรถรับเรือมันก็ต้องแข่งทางต่อไปถ้าแข่งทางคุณไปคุณจะก็เปลี่ยไต้ใดใครขอเขาจะเกิดตัวเาขึ้นแลอาไม่อยากทำตัวพอาะทำนะก็ทำให้จนทำอะไรก็ทำให้จน อ๋อสมมติแค่ไดเอีกหนึ่งพยาจิตตลาดจิตใจใส่ชื่อให้อาครับมันก็ไม่ว่าพิเศษมันก็ไม่ว่าสวยมันก็ไม่ว่าหูข้าพรเจ้าใส่ชื่อเลยนะพรว่าหูจิตเป็นพวกใส่ชื่อเลนะครับมันก็มว่าพิเสษมันก็ไม่พิเศษจะหูครับมันก็ไม่ว่า ที่เสียมันก็มันจะท่เสียเรมันก็มันกันตายก็มันกันข้าพเจ้าเป็นเร่อข้าพเจ้าเป็นกายดีละท่านมาใส่ชื่อนามาสร้ามันก็ไม่ว่า่ีใจไม่มีใส่ชื่อไม่ใครใส่ชื่อามให้ตกง่าใจเอาปวดตัวหัวนตัวถ้าจะร้เท่าใจตอนนั้นก็เป็นทุกเท่านั้นใช่นอกจากใจไม่มีอะไรจะทำใจให้เป็นทุกข์นอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทาใจให้เป็นทุกข์ใจเท่านั้นทำใจให้เป็นทุกข์ ใจตนนั้นทาใจเป็นทุกตาหูจมูกลินใจเขาเป็นไงทาให้ใช่มนน้าที่อัตโนราถูกลดเป็นทุขของเขานก็คือใจเป็นทุกขอาใจนอกจากใจไม่มีอะไรอะไรจะเบียดเงินใจนอกจากใจข็ไม่มีอนไดจะทําระโยชนให้ใจใจตอานั้นเบียดเงินใจใจทาขึ้นแล้วจะไปทิ้งเบียดที่ฝนให้ตาหูจมูกลิ้นเขาทำไครับใช่ไหมใจมันยุ่งมั นะใจครับคนตายไม่เห็นมันมันยุ่งเพราะเพราะวิญญาณมันไม่อยู่ที่นั่มันไปเืิดแล้วใจมันยุ่งมากครับมันสร้างปัญหาขึ้นเองรับผลของปัญหาประมาณมันผู้รับใจทุกสุดไปอยู่ดีใจตัวเองเธอทุกเพราะใจมันทุกข์มันอยากขึ้นครับถ้าใจมันอยากอะไรขึ้นก็ไม่ละหมาดดินนั่งไปลงร่องล้วนมันไม่อยากอะไรมันก็ไม่ละหมาด ใจมันอยากขึ้นกับของปูอันนี้กของปูอันนี้กับองปูมาอยู่ที่ไหนัของปูเช่น ป, ป, ปูเขามาจากของปูเขาไอที่แค่ไม่รู้ว่าปูของใครแแคปูแผมผมอย่างนี้แหละไม่รู้ว่าใครเป็นผมแต่เนี่ยสมมติไมนี่ยาพุสศาสาเขาตถูกสมมติสิ่งไหนที่เป็นบาปก็เป็นบาปยิ่งสมมติสิ่งไหนที่เป็นบุญก็เป็นบุญิงไม่เหมือนรับที่อื่นรับที่อื่น สิ่งที่ไม่เป็นบาปเพราะว่าบาปสิ่งที่ไม่เป็นบุญเพราะว่าบุญสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะไม่ว่าเป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราะเป็นประโยชน์ก็มีเอาเป็นประว่าไม่ได้เพราะมันใช่พระรหัมม้การสมาธิพุทธเจ้าสรฆ์เป็นพระรหัมมบรรยัถ้าทำไม้มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถางแต่รูปทำได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราเห็น้ารูปทาได้เราเป็นเขาแล้วทำเขาลงมาทำนาเหตุฉะนั้นเราเเขารล นี่เราก็จะสะสมนั่มันจะสะสะเป็นชังมาตุปไตยเราทาเป็นแวนเป็นกระจกเงาไม่ใช่อัตาตุลาปายที่มันโนเป็นงาไม่ใช่โลกมาตุลาปายที่โลกเป็นไม่ใช่อัตราตมลาปายที่มันโดน เป็นธรรมารูประกาข์อนโลกผูกระตหาถอโลกโลกเขาไมู่ผู้รู้แจ้งโลกไม่สอนแจกพิสูต้องเรียนถอนกับเขาชักเก่งสักเพีงไหนก็ตามเรียนจากประเทศนอกต่อตามเสาตั้งเสาดูสิเมื่อตั้งสาแล้วก็เอาสารยุติทําไป ไปตัดสินนี่สารดุติธรรมของพวกก่อสร้างถ้าไม่เอาเนี่ยไปก็แล้วตะวันตกตะวันออกทิศเหนือทิศใต้เฉียงตกเฉียงออกเฉียงใต้เชียงเหนือเขียงกันอยู่วันยังค่ําตั้มาได้หรอเสาเอาอาจารย์มานี่นี่อาจารย์เน่ย <c oughs> เสร็จเลยอาจารย์ม า, าตัดสินเอ้าต่ําทางนั่นทางนี้อ า, อาจารย์ระดับหน้ามา เสร็จเลยถ้าจะนั่กับเสียงต่ำทางนี้ทางนี้ดูไม่แล้วละอาจารย์มาเครื่องวัดเชรื่องตัวเอาอาจารย์มานี่สมมติมมเสร็จกันเ น, น, นี่ยง ว, วัดเครื่องตัวเครืองวัดรยะยะเอาไ ม, ม, ม็ดเมตรเส้นมานะพอเสร็จเรื่องกันถูกไหมยาวานะเพิบพอดีต้องคงเส้นคงวาเพราะมีอาจารย์อยู่ ทีนตั้งคนไม้คนหมูพวกชาวโรกตังคนไม้คนหมูเมื่อมลองดูกคำพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดอีเพราะอ้เนี่ยเอ๋ย <c oughs> ชาวโรกสี่ปีห้าปีก็ตั้งค น, มน <c oughs> <ส>ไม้กันแล้วไม่แล้วไม่เป็นเลย <c oughs> จะชนะชนะเอาเงินที่ไหนมาตั้งออืพระพุทธศาสนาตั้งแล้วเลยเพราะมันถูกพอแล้ว <underneath> พระพุธทธเจ้าองค์ไหนมากี่ละ้านปีเข้ามาก็มาตัดทิ้งอันเดียวกันหมดเพราะไม่ได้เพิ่มพรบเลยเพราะมันถูกแล้วพอแล้ว <ays> ไม่เข้าข้างคนหมู่มากไม่เข้าข้างคนจนไม่เข้าข้างคนรวยแต่พวกเรามันประชาธิปปินทุกวันนี้ใช่ไหมใครมีเงินมากเรชนะุกไห้เนีทีนีข้าพเจ้าคําพระพุทธองค์บางการณีเอาตามของคนเอาตามคาของคนมากเป็นประมาณบางการณีครับแต่คนมากเหล่านั้น จะเรียนจบพระใจพฤฤฤฤี่โดกความประพฤติของเธอไม่ดี <sm all> ก็ไม่ให้มาออกเฉียงแต่พวกเรามึงไม่เอาคะแนน <sk ull> กูกูเอาตังให้มึงใช่ไหม <sk r isa> <m akes> มันก็เท่าไวรเป็นถูกไหมทีนี้ทำไมฝนจึงเล้งภาคอีสานของเราก็เล้งภาคกลางก็เลย ภาคเหนือก็แรแตะวันออกก็คงแรงกระมาก็มีแต่ภาคใต้น้ำท่วมครับทำลายน้ำทำลายลำธารฝ น, นม่ตกทำทาลายป่าไม้ฝนม่ตกอันนั้นเป็นปายเหตุมบ <c oughs> ถ้าให้เราตอบเดี๋ยวนี้จะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่ทราบก็เพาข้าบิดามันหา เวลามรนดาเขาข่าหาขวานตังอะไรได้เอาเงินไปช่วยเรามะไรอะไรเขาฆ่าจริงทีนี้สุนัขมันยังดีกว่าพวกเราใช่ไหมสุนัขมันเสพกันแล้มวมันก็ไปมานไม่ฆ่าไหมไอ้พวกเรามันฆ่าใช่ไหมสุนัขพี่ฝากมันก็ยอยู่รอดพวกเรา ชาวโลกนั้มีหนทางเดียวที่จะสมานกันได้ทางอื่นไม่มีทางสมานแต่พวกเรานั่นเองทางใต้ก็ฆ้าพระใช่ไหมก็เผาโรงเรียนกันทิ้งใช่ไหมนั่นนั่นคนหนูก็บอกว่าเออมาทำไมทำมลายโรงเรียนดิฉันออดิฉันไม่มีที่เข้าโรงเรียนก็ร้องไห้ ถ้าสวดมนต์อยู่ก็ไปฆ่าพวกเรามั น, ยนอยากได้เกินพวกเราเนี่ยเรามีหนทางเดียวเนีเขีนสาวโลกพระไม่ดีตอนไหนก็ตีเตียนตอนซัการาวาสไม่ดีตอนไหนก็ตีเตียนตนซะเจ้านายไม่ดีตอนไหนก็ต้องทําให้ดีขึ้นต่างคนก็ต่างมุ่งหาความดีทุกๆุท่านจะไปขี้คนนั้นคนนี้หรือมันชุดอะไรเป็ี่ยนว่าอย่างนั้นครัพูดอย่างนี้พระบกพร่องตอนไหน ก็ทำให้ดีตอนนั้นสัไปบอกบอดบอกเบอร์บอกเลขบอกผ้าเขาต้องหยุดสักไปไปหลอกลวงขายสิ่งอ๋อมันไม่ใช่ทางคุณโยมเอ๋ยไม่ใช่ทางพระบรมศาสดาไม่ได้สอนเลยนะคุณโยมแันจก็มาเข้อหมายคำ ไม่ถูกไม่ถูกไปยังเพราะมันเป็นทางชีบหายอ่ะอัตมาไม่เคยทําคุณโยมเอ๋ยอัตมาไม่ใช่เคยทําพูดที่บอกเรียกบอกผาเขาสู้แลพูดรักษาสิ้นท่าไม่ได้นะคุณโยมนะเอย่ า, หาให้อาาคุณโยมไปคุณโยมอยากให้อาจอัตมาไปนั่นอะอัตมาไม่พอใจไปเพราะอัตมาก็ไม่รู้เชื้อด้วย เขาออกอยู่กรุงเทพอัตมาจะรู้ยังไงถ้าอัตมาลูกอัตมาก็จะไปบอกถ้าลูกหลานของอัตมาเป็นเศรษฐีแล้วมันก็พูดอย่างนี้มันก็หมดเรื่องมันก็เป็นร้พระนี่พระต้องแก้ไขใหม่อันนี้ส่วนญาติโยมก็จะไปเล่นส่วนรัฐบาลก็อยออกออกเรียกไม่หวยออรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลก็เป็นพ่อเป็นแม่ประชาชนก็เป็นลูกลูกก็พ่อก็แม่เล่นเล่นเล่้ากันลูกไม่มีลูกก็ไปประมติพ่อพ่อไม่มีก็พ่อมาประมลลูกถูกไหม รัฐบาลก็ไม่ควรออกแล้วประชาชนก็ไม่ควรเล่นเ่แล้วพระก็ไม่ควรส่งเสริมเนี่ยเอ้ถูกไหมถ้าไม่หันหน้าเข้ากันก็ไม่ได้กูผิดมึงถูกกู้ผิดมึงถู ก, ถ ก, ถกชี้กันอยู่นี่ก็เวลาไปปรึกษากันก็กูชี้มึงมึงขี้กู้เมื่อเวลาผิดมาก็โยนความผิดให้กันแต่ไม่รับรองกันเสียเลยคนในประเทศพวกเรากันอย่างนั้นพวกเราเป็นอย่างนี้นนนสมานกันเถิดพระไม่ผูกยังไงก็ ไม่ถูกตามทิศขาบทไม่ในก็ทําดีตามพระซะเจ้านายไม่ถูกตามก็ตอ้องทํำซดี๋ยวมีคอามรับชั้นพระก็เป็นผู้เป็นพระกินกิ้งเจ้านายก็เป็นเนจ้านายจริงพ่อข้าพ่อ ข, า, อขายก็ตา่างพ่อซัดซื่อต่อกันคือสินหานั่นเองเอาเป็นเครื่องกับสิน่ะถูกหมนั่นถ้ามาอย่างนั้นมันก็ไปไม่รอดเยอะปูติมึงมึงติปู่วันหนึ่งวันหนึ่งก็ปฏิกริยาก็มดเรื่องไปเลยไม่ไม่ได้พัฒนาเลย <laughs> ห้ามม่พระเป็นการบ้านการเมืองพระไม่สอนบ่านสอนเมืองจะพาไปสอนผีตัวไหนเขาพูดนะอย่างอชาวโลกให้มีสินห้าบริบูรณ์ดูหรูสงครามไม่มีสงครามไม่มีก็ไปสุกแล้วใช่ไหมน่ะชาวโลกสร้างขึ้น่องน่ะชาวชาวโลกก็ไปทําลายกันเอาไฟไปเผาทิ้งมันก็บ้าใหญ่พวกเราพวกเราชาวโลกบ้าใหญ่ถ้ากันสร้างเครน่องถอยเผาทิ้ง ฆ่ากันแต่แม่ฆ่ามันก็จายจะตายอยู่แล้วถูกไหมโลกคือหมู่สัตว์ชื้อราพยาธิเข้าไปใกล้ไม่ยั่งยืนโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าใครนี่ไมาคว้เฉพาะความตายความตายได้ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าใครจํจาจะต้องได้ทิ้งซากไว้ในแผ่นดินอนี้ไม้เฉพาะอันนี้ไม่ได้ไม้ เรื่องราผเรื่องก็เรื่องคุณสมบัติไม่มีใครเป็นใหญ่ขวาใครในเรื่องตายําเป็นจะทิ้งสร้างไว้ในแผ่นดินโลกคือมูสัตว์ตกท้องเป็นนิดไม่อิม่มเป็ น, า, น, นา่าแห่งต่อหานนะคำสอนพระพุทธศา ส, าสนามันดีแล้วแต่พวกเราชี้อูไม่เอามาปฏิบัติจึงทรงพระนามว่าสัทธาเทวนุสการัง เป็นผู้สอนของเทวดาในรมนุสตังห์พราเธอนั่นเองมีสิทิ์จงทจําิทธิ์ให้บันเทิงในการและชัวทําดีเป็นคําสอนของพรุทยเาทั้งหลายเพราเธอนั่นเองมีสิทมีสมที่จะสร้างความดีขึ้นไว้เป็นที่พึ่งของตนไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าภายนอกพระผู้เป็นเจ้าภายในคือจิตใจของพวกเธอแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองจงมีอิสระทางทําดีถืดอย่ามีอิสระทางทําชั่วเลยอย่าเป็นผู้ใจถึงทางทําชั่ว เราเผู้ใจถึงทางทำดีว่าเป็นที่พึ่งของใจเถิดนอกจากใจไม่มีอัะไรจะเป็นที่พึ่งของใจถ้าใจทําลายใจใจก็ไม่เป็นที่พึ่งของใจแล้พระพุทธเจ้าสัญญาว้นะพูดไม่รับยังเ ข, าขง้าใครบอกว่ามีสิทธิอิสระทุกท่านตํารวจคนหนึ่งในระหว่างสองพันห้าร้อยเขาบอกว่าท่านจะไปไนเะขาถามเราถาม จะไปจับหาจับพระเขาไหว้พระองค์หนึ่งมันอวดว่ามันเป็นคนผู้มีบุญไปหาจับมันเออถ้าใครทําบุญตอนไหนก็เป็นผู้มีบุญตอนนั้นถ้าใครทําบาปตอนนั้นก็เป็นผู้มีบาปตอนนั้นไปหาจับเขาทําไมมันก็พูดตรงตัวอยู่แล้วเราพูดอย่างนี้เองแกเขาเกาหัวทีนี่ถ้าผู้ใดทําบุญตอนไหนผู้นั้นก็เป็นเจ้ามีบุญเป็นผู้มีบุญตอนนั้น ถ้าผู้ใดทำบาปตอนไหนถ้าผู้นั้นเป็ไเจ้ามีบาปตอนนั้นจะไปจับทำไมเราพูดอย่างนี้ครับพูดอย่างนั้นก็ผมก็สียดใจก็นเลยนั่งคุยกันนั่งนั่งคุยกันอยู่ที่นี่ <c oughs> เราเป็นผู้มีบุญทุกท่านเป็นผู้มีคนดีทุกท่านถ้าเราทำดีเราก็เป็นคนดีถ้าเราทำชัว่วเราเป็นคนพัวกทุกทุกท่านมีอิสระทุกท่านใช่ไหมนั่น แกนี่ถ้าเสด็จขึ้นพันคอแล้วก็ต้องตายเพราะมันมีกําลังจะขาดพ่อว่ายอย่างนั้นใครจะตายด้วยวิธีไหนก็เสด็จขึ้นพันคอจะก่อนลูกเ อ, อย๋ยตายด้วยปืนก็เหมือนกันเสด็จขึ้นพันคอตายด้วยไข้ด้วยหนาวก็เหมือนกันด้วยโรคชนะก็เหมือนกันเสด็จขึ้นพันคอแล้วก็มันไม่ที่าหายใจก็ต้องตาย นี่เพ่อป่ายาไปครับมาเดินเดิขึ้นมา่ายาไปมนก็ไช่วยละาหัวใจกันนี่หัวใจับเสดงนี้พวกเราพูดกันไม่ได้เหม็นเลยหมนคุงเลยกึนอาหารออกมาเรามาอนี้ครับปิดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไเลยกึนอมาก็ปิดปั๊บ ออกมาปิดปั๊บขังเป็นมว่งว อ, อยู่ที่คอหอยถ้าไม่มีน้ำเสดขั้งอยู่ที่คอหอยที่พูดพอเราพูดจำอะไรเหม็มมนคุ้งเลยน้ำเสดขั้งเป็นมวกง่วงอยู่ที่คอหอยไส้ใหญ่ข้างหนึ่งอยู่คอหอยข้างหนึ่งอยู่ทวารหนักที่อยู่ใน ท, ท้องมียี่สิบเอ็ดกฎทับไปทับมาอยู่ เหมือนปลาไหลเผือกที่อยู่ในท่อและมีกินและสีเหม็นอยู่ไม่มีการวันกลคืนถึงเราจะกินยาถ่ายมันก็ไม่มีคนน้อยเข้าไปล่างอยู่ข้างในให้ทีเราไปช่วยถ่ายออกกินของมันก็เหม็นอยู่นับแต่วันเกิดมา <c oughs> พิการณาอันนี้เพื่อให้บันเทาราคะ พิจนาเมตตาบันเทาโทสะ